คำสอนสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยเรื่องของคนคำสอนที่10บมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายคนรับใช้หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นทิศเบื้องต่ําสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน ถ้าทิศทั้งหลายดังกล่าวไม่ดีเสียโดยมากก็ยากที่จะให้ใครๆที่อยู่ระหว่างกลางดีอยู่ฝ่ายเดียวคำสอนที่11เมื่อมองไปเบื้องหน้าไม่มีบิดามารดาเป็นที่ยึดเหนียวมองไปเบื้องขวาก็ไม่พบครูอาจารย์ที่จะอบรมแนะนำ มองไปเบื้องหลังก็ไม่พบญาติพี่น้องผู้หวังดีมองไปเบื้องซ้ายก็ไม่มีสหายที่เป็นกันลยาณมิตรมองไปเบื้องล่างก็ไม่พบผู้ที่รับใช้ให้ความช่วยเหลือมองไปเบื้องบนก็ไม่พบสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีซึ่งจะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกให้ตรงกันข้ามมองไปทางทิศไหนก็พบแต่โรงหนังโรงละคร สถานอบายามุกต่างๆและบุคคลต่างๆที่ชักนำไปในทางเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่างๆแต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมากก็ยากจะเสื่อมเสียได้ คำสอนที่12การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตควรทำความเข้าใจว่ามีสองอย่างคือเลี้ยงร่างกายเลี้ยงดูจิตใจเพราะความเติบโตของเด็กทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจะมุ่งเลี้ยงร่างกายทอดทิ้งทางจิตใจย่อมเป็นความบกพร่องอย่างสาคัญไม่ควรถือตามคำปัดว่าเลี้ยงกันได้แต่กายใจเลี้ยงไม่ได้ ใจที่อาจเลี้ยงไม่ได้คือใจที่แข็งหรือเติบโตเป็นตัวของตัวเองในทางที่ถูกหรือผิดเสียแล้วแต่จิตใจที่ยังอ่อนยังจะเติบโตต่อไปถ้าผู้ปกครองบำรุงเลี้ยงให้อาหารใจที่ดีอยู่เสมอแล้วภาวะทางจิตใจของเด็กก็จะเติบโตขึ้นในทางที่ดีทั้งนี้เกี่ยวกับการอบรมดี ให้เด็กได้เสวนาคือซ่องเสพคบหาคุ้นเคยกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ชอบถูกต้องเมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูให้มีร่างกายจิตใจเติบโตขึ้นสมดุลกันก็จะเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆ คำสอนที่13ในการแก้ปัญหายาวชนบุคคลที่เป็นทิศสำคัญสำคัญทุกฝ่ายของเยาวชนแต่ละคนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันตั้งตนของตนเองไว้โดยชอบให้เป็นทิศที่ดีตามฐานะที่เกี่ยวข้องและอันที่จริงไม่ใช่แต่เยาวชนเท่านั้นทุกๆุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อทิศ ต, ต่างๆโดยรอบตนดีอยู่ ก็ย่อมจะชักนํากันไปในทางที่ดีได้แต่มีข้อแตกต่างต่างกันอยู่ว่าสำหรับเด็กหรือเยาวชนนั้นยังเป็นผู้เยาวสติปัญญาจำต้องอาศัยทิศรอบตนที่ดีซึ่งผู้ใหญ่จำต้องทำตนให้เป็นทิศของเด็กและช่วยสร้างทิศ ท, ที่ดีให้แก่เด็กคำสอนที่14สี่ คนวัยรุ่นกำลังเจริญด้วยพลังกำลังทยานกายทยานใจเหมือนน้ำตกแรงเมื่อไม่สมหวังมักจะทำอะไรแรงจึงมักพลาดได้ง่ายและเมื่อพลาดลงไปในห่วงอะไรที่แรงแงแล้วก็อันตรายมากเหมือนอย่างไปเล่นสนุกกันที่น้ำตกอาจเผลอพลาดตกลงไปกับน้ำตกที่โจรลงไปจากหน้าผาสูงชัน คำสอนที่15ไม่ควรเชื่อใจตนเองเกินไปเพราะอาจไม่มีเหตุผลถ้าใจนั้นถูกบังคับหรือท่วมทับเสียแล้วควรหารือกับท่านผู้สามารถให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ทั้งเมื่อสนใจในพระธรรมอยู่พระธรรมอาจให้เหตุผลแก่ตนได้กระจ่างพร้อมทั้งชี้ทางปฏิบัติได้ถูกต้อง คำสอนที่16ผู้ที่มีความคิดน้อยย่อมนิยมชมชื่นในปัญญาแห่งมนุษย์ในปัจจุบันและเอยียดดูถูกบรรพชนของตนเองแต่ผู้ที่มีวิจารณญาณย่อมพินิษนับถือบุรพชนหรือโบราณชนเป็นอย่างดีโดยฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อกำเนิดศิลปะวิทยาและประดิษฐ์วัตถุหรือในศิลปะวิทยานั้นๆได้ มนุษย์อีกคนหนึ่งไม่สามารถคิดเช่นนั้นได้เมื่อเห็นว่าเหมาะดีแล้วก็นำเอาไปใช้ศึกษาและปฏิบัติตามกล่าวโดยเฉพาะศิลปะวิทยาหมู่หรือคณะหรือว่าบุคคลที่บรรลุความเจริญจำต้องนับถือความรู้ของกันและกันจำต้องศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกันเพราะเหตุนี้ผู้มุ่งความเจริญ จึงพากันพยายามศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามกำลังความสามารถเหล่านี้เป็นข้อแสดงถึงความเอาอย่างหรือความตามกันในความรู้แม้ในทางความประพฤติก็เช่นเดียวกันคำสอนที่17คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต้องทำต้องพูดอยู่ทุกๆุกวันเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีสติเมื่อทำอะไรพูดอะไรไปแล้วก็ระลึกได้ว่าได้ทำอะไรหรือพูดอะไรผิดหรือถูกเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นจะทำจะพูดอะไรก็มีความระลึกนึกถึงก่อนว่าดีหรือไม่ดีอย่างโบราณสอนให้นับสิบก่อนคือให้นึกให้รอบคอบก่อนนั่นเอง ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดก็รู้ตัวอยู่เสมอไม่หลงลืมตัวไม่เผลอตัวบางคนมีปัญญาความรู้ดีแต่ขาดสติทำพูดอะไรผิดพลาดได้อย่างที่พูดกันฉลาดแต่ไม่ฉเฉลียวจึงสมควรหัดให้มีสติรอบครอบ